พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่สามสิบเจ็ดพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่สี่กระถาวัตถุพระอภิธรรมปิฎกกระถาวัตถุ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาวัชหนึ่งปุคละกถาว่าด้วยบุคคลหนึ่งสุทธัจิกถาว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงล้วนล้วนหนึ่งอนุโลมปัจจนิกะอนุโลมปัญจกะหนึ่งสกะวาทีถามว่า ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกตถาประมะใช่ไหมประวาทีตอบว่าใช่สโกสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกตถาเป็นปรมัตถะท่านยังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกตถาปรมัตถนั้นใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสโกท่านจงรับนิคขาดังต่อไปนี้ หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตตนั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่า สภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัตตะเป็นปรมาถะขพเจ้าอย่างรู้บุคคล น, นั้นได้โดยสัจจิกัตตะปรมาทนั้นคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัตตะเป็นปรมาถะขพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตตะปรมาทนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตตะปรมาท ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัติปะธรรมแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจกัติเป็นปรมัตถะเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจกคติปมัตรมนั้นคำนั้นของท่านผิดอนุโลมะปัญจกะจบปฏิกรรมะจตุกะสอง ปรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะปรามาทิช่ไหมสกใช่ปรสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐะเป็นปรมัศน์ท่านยังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมัติ์นั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้ หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจกคติเป็นปรมัตถะเขาพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจกคติปรมัตตนั้นท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจกคติปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจกคติ เป็นปรมาถะเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกระทะปรมัาทนั้นคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกระทะเป็นปรมาถะเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกระทะปรมัาทนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกระทะปรมัาทท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกระธะ p a r a m แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัะถะเป็นปรมัต a t ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกระธะ p a r a m a นั้นคำนั้นของท่านผิดปฏิกรรมะจตุกะจบนิ้อข้าหะจตุกะสามปอรออหนึ่งหากท่านระลึกได้ว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐะเป็นปรามาั m a t ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a t t ั้นดังนั้นท่านเมื่อยอมรับด้วยปฏิญญานี้ในอนุลมปัญจกะนั้นก็ควรถูกลงนิ้อค่ะอย่างนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงลงนิ้อค่ะท่าน ท่านจึงเป็นอันข <ladı> ้าพเจ้าลงนิคขาชอบแล้วดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิปัฏฐา -paramat ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐ์เป็นปรมั m a t ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐา -paramat นั้นท่านกล่าวความขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิปัฏฐา -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจิกัฐะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจิกัฐะประมัต tn ั้นคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิปัฏฐะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้ <Wilson. S 2> บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจิกัฏฐะประมัต t นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏถะ p a r a m a ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏถะ p a r a m a แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏถะเป็นปรมัต a t t ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a นั้นคำนั้นของท่านผิดนิขหาจตุ ก, กะจก ปุปัญญาณจตุกะสปอรรหากนิพหานี้เป็นการนิพหานโดยมิชอบในนิพหาที่ท่านลงแก่ข้าพเจ้านั้นท่านระจงเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐ์ปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐ์เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจิกัฏถะ p a r a m a นั้นและข้าพเจ้าเมื่อยอมรับด้วยปฏิญญานี้ในอนุโลมปัญจากะนั้นท่านไม่ควรลงนิ้อคะอย่างนี้แต่ท่านก็ยังลงนิ้อคะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงถูกท่านลงเนิคหะโดยมิชอบดังที่กล่าวมานี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า สภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐะเป็นปรมัฏฐะเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัฏฐปรมัฏนั้นท่านกล่าวควาขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐปรมัฏแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐเป็นปรมัฏฐะเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัฏฐปรมัฏนั้นคำนั้นของท่านผิด อ ห, eses, หากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสั grasp, defense, yeah, mm. nee so จจ i̇şte ิจักระเป็นปรมัตถะเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิจักระปรมัตนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิจักระปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิจักระปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่า สภาวะธรรมใดเป็นสัจจคตะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคล น, นั้นได้โดยสัจจคตะประมัตชนั้นคำนั้นของท่านผิดอุปัญญนณจตุกะจบนิฆมะจตุกะห้าปอรรท่านไม่ควรลงนิฆะข้าพเจ้าอย่างนี้แต่ท่านก็ยังลงนิฆะข้าพเจ้าด้วยนิฆะว่า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 ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกรธปรมัต t นั้นคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกรธาเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิการาปรมัต t นั้นท่านก็มีควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกรธาปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้าอยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปะฏปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจคติเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจคติปะฏปรมัต tn นั้นคำนั้นของท่านผิดฉะนั้นเนื้อขลาหะที่ท่านกระทำแล้วเป็นการกระทำโดยมิชอบปฏิกรรมเป็นการกระทำโดยชอบแล้วการดำเนินกระบวนความเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว เนื้อธรมจัตุกะจบเนื้อคหะที่หนึ่งจบหนึ่งสุทธาสัจจิกัตถะสองปัจจนีกานุโลมะปัจจนีกะปัญจกะหกปอรอ ท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกรัฐ -paramat ใช่ไหมสกใช่ปรรสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกรัฐเป็นป a r a m a t ท่านยังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกรัฐ -paramat นั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรท่านจงรับนิคาหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกรัฐ p รมัต a t ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิจักถะเป็นปมรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิจักถะปรมัตนั้นท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิจักถะปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิจักถะเป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้ด้วยสัจจิกัธปรมัต t นั้นคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรำใดเป็นสัจจิกรธเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัธปรมัต t นั้นท่านก็มีควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้ด้วยสัจิกรปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้ด้วยสัจิกัฏฐะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจิกัฏถะเป็นปรมัต a t t h a ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้ด้วยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a t นั้นคำนั้นของท่านผิดปัจเนกะปัญจกะจบปฏิกรรมะจัตุกะเจ็ดสก ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัปรมัตใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐเป็นปรมัตถะท่านยังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัปรมัตนั้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏปรมัต ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐะเป็นปรมาถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมาทนั้นท่านกล่าวความขัดแย้งใดในตอนต้นนั้ น, น, นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมาทแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐะเป็นปรมาถะ ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัฏฐา p a r a m a t t ั้นคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐ์เป็นปรมั m a t ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิปัฏฐา p a r a m a t t ั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐา p a r a m a t ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจคติเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจคตถปรมัตตนั้นคำนั้นของท่านผิดปฏิกรรมะจตุกะจบนิหะจตุกะแปดสอกออนหนึ่งหากท่านระลึกได้ว่าข้าพเจ้าอยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรามัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจกคติเป็นปรามาตัตถะข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจคติปรมัตตนั้นดังนั้นท่านเมื่อยอมรับด้วยปฏิญญาในปจนัจเนกาปัญจกะนั้นก็ควรถูกลงนิขะอย่างนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงลงนิขะท่านท่านจึงเป็นอันข้าพเจ้าลงนิขะชอบแล้วดังต่อไปนี้ หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐ์เป็นปรมัตถะเขาพระเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมัต t นั้นท่านกล่าวความขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าเขาพระเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐาปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจิกัเป็นปรมัตถ ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจคติปรมัต t นั้นคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจกัติเป็นปรมัตถ a ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจกคติปรมัต t นั้นท่านก็มิควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะรำใดเป็นสัจกคติเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจกคตถปรมัตตนั้นคำนั้นของท่านผิดนิฆาตจตุกะจบอุปนยนานจตุกะเก้าสกหากนิหานี้เป็นการนิหาโดยมิชอบ ในนิหะที่ท่านลงแต่ข้าพเจ้านั้นท่านก็จงเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิปัฏฐ์ปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิปัฏฐ์เป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐ์ปรมัตตนั้นและข้าพเจ้าเมื่อยอมรับด้วยปติญญานี้ในปัจจนียกะปัญจกะนั้น ท่านเมื่อควรลงนิคหาอย่างนี้แต่ท่านก็ยังลงนิคหะพระพเจ้าข้าพเจ้าจึงถูกท่านลงนิคหาโดยมิชอบดังที่กล่าวมานี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจปัถฐปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจกัถฐเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจปัถฐปรมัต t นั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจฉิกัฏฐ์ปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจฉิปัฏฐ์เป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัต t นั้นคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิปัฏฐ์เป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจิกถิปรมัตะนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมะทั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมะทั้นแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะทำใดเป็นสัจิกถิเป็นปรมัตั้น ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐปรมัต m a นั้นคำนั้นของท่านผิดอุปนยะนันะจจตุกะจบนิฆมะจตุกะสิสสกอท่านไม่ควรลงนิฆะข้าพเจ้าอย่างนี้แต่ท่านก็ยังลงนิฆะข้าพเจ้าด้วยนิหะว่าหากท่านอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐปรมัต m a ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า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 อันหหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏฐะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิปัฏฐะปรมัตถนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมัตถท่านกล่าวความขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมัตถแต่ไม่ยอมรับว่า สภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัฏถะเป็นปรมาภะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะประมาภะนั้นคำนั้นของท่านผิดฉะนั้นนิกขหาที่ท่านกระทำแล้วเป็นการกระทำโดยมิชอบปฏิกรรมเป็นการกระทำโดยชอบแล้วการดำเนินกระบวนความเป็นการกระทำโดยชอบแล้วนิกคมะจตุกะจบนิก ข, กกกขหาที่สองจบสอง โอกาสสัจฉิกัฏฐะว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับโอกาสหนึ่งอนุโลมปัจจนีกะสิบเอ็ดสกอท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัฏฐปะปรมัตย์ใช่ไหมปอรอใช่สอกอท่านยังรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจฉิกัฏฐปะปรมัตย์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกท่านจงรับนิหาดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิปัฏฐะปรมัตถ ด, ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพ per เจ้ายัางรู้บุคคลได้ในอกาทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะปรมัตถท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมัตถแต่ไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู obesity, meeting, you you ้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจคติปรมัตต์คำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจคตถปรมัตต์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจกถะปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจกถิกปรมัตต์คำนั้นของท่านผิดนิฆะที่สามจบสากาลสัจิกถะว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับการหนึ่งอนุโลมะปัจจน尼กะสิบสองสอกอ ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรามาตัตะใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจคตถปรามาัะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนิหะ ด, ดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรามาตัตะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ -paramat คำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a แต่ไม่ยอมรับ <Sim> ว <Pop> ่าข้าพเจ้าย well ังรู้บ really <That> ุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ -paramat คำนั้นของท่านผิด นื้คหาหะที่สี่จบสอวัยวะสัจิกัะว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับอวัยวะหนึ่งอนุโลมะปัจจนิกะ 13. สาอกอท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิปัฏฐาบารมใช่ไหมปอรใช่สอกอท่านยังรู้บุคคลได้ในอวัยวะทั้งปวง โดยสัจจคตธรรมะใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับในข่าห์ดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัติดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้ในอวยวะทั้งปวงโดยสัจจคตถปรมัติท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตมะแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในอายวะทั้งปวงโดยสัจจคติปะธรรมะคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้ในอายุวะทั้งปวงโดยสัจจคตถปรมัตมะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตมะ ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้ในอาิยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ -paramat คำนั้นของท่านผิดนิหะที่ห้าจบสองโอกาสัจจิกัฏฐะสองปัจจนิกานุโลมะสิบสี่ ปอร์ท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคตถปรมัตใช่ไหมสกใช่ปอร์ท่านยังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจกัตถาปรมัตใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอร์ท่านจงรับนิฆะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจกัตถปรมัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ข, นน ข, ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจคติปรมัต a t ท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมัต a t แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจคติปรมัต a t คานั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจคติปรมัตถ์ท่านก็มีควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจคติปรมัตถ์คำนั้นของท่านผิด นิหาที่หจบสามกาลสัจิกัฏะสองปัจจ尼กานุโลมะสิบห้าปอรรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจิกัฏะประมาช่ไหมสอกอใช่ปอรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจิกัฏะประมาช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรร ท่านจงรับนิค่ะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจฉิกัฏฐะ -paramat ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเขาพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจฉิกัฏฐะ p a r a ท่านกล่าวคำขัดแย้งได้ในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจฉิกัฏฐะ p a r a แต่ไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ -paramat คำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ท่านกล่าวความขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกถะปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกถะปรมัตถ์คำนั้นของท่านผิดนิฆาห์ที่เจ็ดจบสอวัยวะสัจจิกถะทสองปัจเนกานุโลมสิบหกปอรรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกถะปรมัตถ์ใช่ไหม สอกอใช่ปรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้ในอวิวะทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านจงรับนิหาดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเขาพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้ในอวิวะทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้ในอายวะทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a คำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้ในอายุวะทั้งปวงโดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมัตะท่านกล่าวควาขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมัตะแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลไม่ได้ในอวิวะทั้งปวงโดยสัจจคติปรมตะคำนั้นของท่านผิดนิพพานที่แปดจบ เทือกะสังสันทนะการเทียบเคียงบุคคลกับสภาวธรรมล้นล้วนเจ็ดสกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติป aramat ดูดยังรู้รูปได้โดยสัจจคติปรมั m a t ใช่ไหมปรอใช่สอกอรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ ท่านจงรับนิพพหะดังต่อไปนี้หากท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดุจอย่างรู้รูปได้โดยสัจจิปัฏฐะ -paramat ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิปัฏฐะ -paramat ดุจอย่างรู้รูปได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่า รูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของ ท, ท, utan, ท่ า, ทท า, ทานผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็มีควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ตดอย่างรู้รูปได้โดยสัจจิกัฏฐะปรมั m ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r ดุดยังรู้รูปได้โดยสัจจิปัฏฐะปรม a ต a ์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด18บแปดสกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิปัฏฐะปรม a ต a t ดูดยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิปัฏฐะปรม a ต a t ดูดยังรู้สัญญาดุดยังรู้สังขารดุดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิปัฏฐะปรม a ต a t ใช่ไหมปร ใช่สกวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนืหาดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถป aramat ดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจิกติปรมัต a t ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจิกระถะปรมัิตย์ดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจิกระถะปรมัทิตย์แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจิกระถะปรมัิต์ ดูดย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจจิปัฏฐะ -paramat ท่านกล่าวคําขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าเขาพระเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิปรฏฐะ -paramat ดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิปรฏฐะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคํานั้นของท่านผิด 19. สออิบเก้สก ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถะธะ p a r a m ดูดยังรู้จักขายยตนะได้โดยสัจจิกถะธะ p a r a m ดูดยังรู้โสตายตนะดูดยังรู้ขานายตนะดูดยังรู้ชิวหายตนะดูดยังรู้กายายตนะดูดยังรู้รูปายตนะดุดยังรู้สัทธายตนะดุดยังรู้คันธายตนะดูดยังรู้รัษายตนะดูดยังรู้ปุถัหายตนะ ดุดยังรู้มนายตนะดุดยังรู้ทำมายตนะได้โดยสัจฉิปทะปรมัตย์ยี่สิบโสกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจฉิปทะปรมัตย์ดุดยังรู้จากครูธาต์ได้โดยสัจฉิประถปรมัตย์ดูดยังรู้โสตธาต์ดุดยังรู้ขานาธาต์ดุดยังรู้ชิวหาธาต์ดูดยังรู้กายธาต์ดุดยังรู้รูปธาต์ ดูอยังรู้สัทธาธาตุดูดยังรู้คันธาตุดูดยังรู้รสศธาตุดูดยังรู้โพธพธาตุดูดยังรู้จากุวิญญาณธาตุดูดยังรู้โสตะวิญญาณธาตุดูดยังรู้คาณวิญญาณธาตุดูดยังรู้ชิวหาวิญญาณธาตุดูดยังรู้กายวิญญาณธาตุดูดยังรู้มโนธาตุดูดยังรู้มโนวิญญาณธาตุ ดุดยังรู้ธรรมะท่าได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ยี่สิบอ็ดสกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ดุดยังรู้จักขุนศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ดุดยังรู้โสตินศีดุดยังรู้คาณินศีดุดยังรู้ชื่อหินศีดุดยังรู้กายยินศีดุดยังรู้มนินรีดุดยังรู้ชีวิตินศี ดุจยังรู้อิถิินสีดูจียงรู้ปริสินสีดูจียงรู้สุขินสีดูจียงรู้ทุกขินสีดูจียงรู้โสมนสินสีดูจียงรู้โทมนณสินสีดูจียงรู้อุเปขินสีดูจียงรู้สัจทินสีดูจียงรู้วิริยินสีดูจียงรู้สัจินสีดุจยังรู้สมาทินสีดูจียงรู้ปัญญินสี ดูจียงรู้อนัญญาตัญญสามีตินสีดูจียงรู้อันยินสีสโกอท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะประมัตุดูจียงรู้อนญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัฏฐะประมัตใช่ไหมปอรอช่าสอก อ, อนญาตาวินสีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสโกอ ท่านจงรับนีค้ค่ะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกคตปรมัติหรือยังรู้ัญญาตาวินศีได้โดยสัจจคตปรมัติดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตปรมัติ ดูดย่างรู้ัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิประฐะปร r มัติแต่ไม่ยอมรับว่าัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายางรู้บุคคลได้โดยสัจจิประฐะป a r a m a t ดูดยังรู้ัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิประ p a r a m a ท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าเขาพาเจ้ายอมรับว่าเขาพาเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกระทะ -paramat ดูดยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกระทะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดยีสิสองปอรรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกระทะ -paramat ใช่ไหม สกใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้รูปได้โดยสัจิกตถปะรรมะใช่ไหมสกใช่ปรรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้ หพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านอย่างรู้รูปได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้าอย่างรู้รูปได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ แต่ไม่ยอมรับว่ารูป ก, กับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูป ก, กับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเลือกูลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้าอย่างรู้รูปได้ด้วยสัจจคติธปรมท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า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 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อคื้อคุนตนเองมีอยู่และท่านยังรู้เวทนายัางรู้สัญญายัางรู้สังขาปรปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคุนตนเองมีอยู่และท่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคตถาปรมัตใช่ไหมสอกอใช่ปรวิ ญ, ญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสอกอ ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกือือกูลตนเองมีอยู่และท่านอย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจิปัถฐปรมัติ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 แลข ะ, ญญญะล ข, แนนข้าพเจ้ายังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ท่านกล่าวคำขัดแย้งในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคุณตนเองมีอยู่และข้าพเจ้ายังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a แต่ไม่ยอมรับว่าวิ ญ, ญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดยี่สิบสี่ปร ท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคตถปรมัตใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้จากขายาตนะได้โดยสัจจคตถปรมัตยังรู้สโสตายาตนะละถึงปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และท่านอย่างรู้ทำมายตนะได้โดยสัจจิกัะถปรมัต m a t ยี่สิบห้าปรท่านยังรู้จักขุท่าได้โดยสัจจิกัะถปรมัต m a ยังรู้กายธาตุยังรู้รูปธาตุยังรู้โพธะพาธาตุยังรู้จักขวิญญาณธาตุยังรู้มโนวิญญาณธาตุยังรู้ธรรมธาตุได้โดยสัจจิกัะถปรมัต m a t ยี่สิบหกปร ท่ายัางรู้จากขุนสีได้โดยสัจจคติปรมัตยยังรู้โสตินศีได้โดยสัจจคติปรมัตยยังรู้อันยินศีได้โดยสัจจคติปรมัตย์ยสิเจปอรรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติปรมัตยใช่ไหมสอปใช่ปอรรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และท่านยังรู้อัญญาตาวินจีได้โดยสัจจิกัฏฐะประมัตใช่ไหมสปใช่ปอร อ, อัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนลอย่างกานใช่ไหมสปไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และท่านยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแย้งได้ในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลือกูลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้ายัางรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m แต่ไม่ยอมรับว่า อัญญาตาวินสีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอันหนึง่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินสีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื้อกูลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจิปัฏฐะม a r a ท่านกล่าวควาขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจกัติปรมัติ์แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดสุทิกะสังสันตนะจบ